เป็นต้องเสียใจไม่ต้องครำ่ำต้องเพ้อคนที่มันต้องเสียเธออยากจะเจ็บไว้ไว้รักไม่จริงก็ทิ้งไปไม่ต้องห่วงต้องหาพอประมาณเธิดนะ ใช้เรื่องของเธอใครจะเป็นจะตายแต่เรื่องอะไรฉันจะต้องลืมลืมว่าเรา